ก่อนอื่น้ขอภัยไว้ก่อนนะการเทศของปู่มันไม่ได้เก่งเพราะปู่ไม่ได้เรียนเทศป <laughs> <laughs> ู่เทศก็สวดเทศออกใจปู่้ะปู่ปฏิบัติอย่างใดได้อย่างไงก็จะเทศให้ฟังอย่างนั้นแหละเพราะปู่มันเป็นพระที่มีไอนั่นแ่ะไม่มีปริญญาไม่มีไอ วิทยาลัยวิทยายปู่คือวิทยายป่ามันไม่ใช่วิทยาได้บ้านเหมือนกูวาจันทั้งหลายเมื่อเข้ามาบวชก็เข้ามาเมื่อแก่อายุหกสิบห้าปีจึงเข้ามาจริงโกนเข้าเข้าบวช บวชเข้ามาเราโกวนเ้าเขาบวชเราก็ตั้งปณิธันตัวเองเลยเราได้เข้ามาอย่างนี้มันจะทำไงเราละออกมาแล้วนี่น่า่็ออกมาแเราตัวเป็นคนคนเดียวแหละทีนี่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยต้องหากินด้วยลําแข้งของตัวเองแหละทีนี่หาเลี้ยงตัวเองหรือกินจากนั้นปูเป็นไ มันจะต่อเลยนะไม่ตัานกระทู้นะตัานกระทู้ไม่เป็นการปฏิบัติของเราคือมันใจของเราเป็นสําคัญที่สุดทัศจิคําบริกรรมของเราจะเอาคําบริกรรมไหนก็ได้แล้วแต่กิตเราชอบเราจะเอาอาณาปนานสติก็ได้คือลมหายใจโธออกก็แล้วเราจะเอาพุทโธก็ได้ใจของปูป่ปู่เอาพุทโธ อาาบาลนสตีนปู่ค่อยทำแต่ว่ามันชาไปคือทําตั้งแต่ยังไม่ได้บวชไม่ได้บวชก็ยังเมือนญาติโมทั้งหลายนั่นเนี่ยปู่ก็เข้าป่าภาวนาเข้าป่าชาบ้างไปคนเดียวไปเรื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้บวชก็ภาวนาอยู่คือภาวนาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเท่างั้นเอง ก็เข้าป่าเลอกจากงานไปกตอนเย็นเมื่อกลับจับกรยานได้ก็กลับเป่าไม่เข้าเขาไม่ขึ้นเขาก็เข้าป่าช้า <c oughs> ไม่ก็ลงทุ่งไปทั่วทุกคนดึกแก่งแล้วถ้มีโอกาสไปมันไม่ได้ต่อเนื่องที่นี่เราจะทำยังไงจรึงจะต่อเนื่องด้วตัดสินใจควรเข้าก็บวนเฉลย แต่กว่าจะได้ก็นานวัวอยูกว่าจะได้เป็นหกสิบห้าปีถึงได้เขาออกจากบ้านมาสองปีมาปฏิบัติมันดาก่อนพบมันดา่วยไปไหนไมาได้ก็ไม่ทชิงป่วยเท่าไรหรอกคือท่านนั่งอย่างนี้อย่างเดียวนะขามจิเหยียดไม่ออกก็ <c oughs> <c oughs> เลยเดินไม่ได <c oughs> ้เส้นเอ็นมันแข็งห น, นตัวรถถือขาจิต มาปฏิบัติแม่จะสองปีจึงได้บวชม า, าหาข้าวหาป่อนน้ำผ่อนน้าอาบน้ำอาบหน้าให้แม่อยู่สองปีพอแม่เสียแ้วกทำคิดนสังขารใั้แม่เสร็จแล้วก็บวชเขาเข้บวชเลยบวชก็ไม่จะไปให้หอบกวนบวชแล้วก็หอบผ้าถือบาตรแล้วก็เข้าหาอุปชาพอบวน ผเอาง่ายๆแล้วผมไม่จะเอาอยาก <c oughs> หมดเขาก็ตั้งใจปฏิบัติกันเลยเอาในขนาดมือคนขวเขาได้ผมผ้าหยักนันก็เอาเลยผมไม่ไม่ไมพูดภาพจ ำ, ำเพลงอะไรไม่รอวันนั้นวันนี้เลยอยู่ได้แปดวันอยู่ที่บันเดินมโยกันทุกได้แปดวันขอไม่ตุวชีอุปชาได้เลขึ้นเขาเลย เขไปหาครูหาอาจารย์เลยไปหาครูหาอาจารย์ก็ไม่มีอะไรแล้วพุโทโธนั่นแหละผมก็พูุทโธนั่นแหละท่านก็พูดแค่นั้นเองเราก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆไปพอยังไม่ได้พรรษาแล้ววิ่งไปหาอาจารย์น เ, เตือนชมกลมไปยังไม่ได้พรรษาเลยถึงได้กลับจีนทัง้งปุถุทิศเก้านะ ทำวัดเช้าสอดลงมาจากใต้ไอ้ที่ไอ้บางพระพุทธรูปใต้ชั้นพระพุทธรูป ส, อสอ่วนเป็กล่อใหญ่ขนาดฟ <c oughs> าเท้าแต่เป็นขาเนื้อๆเนี่ยทำวัดเช้าจนเส็จกราบจีนพระพุทธเจ้าอยู่างนีน้จะเป็นจีนพระพุทธเจ้าแล้วเพราะ กระนิ้วมันเสมอกันหมดไม่มีนิ้วไหนสั้นยาวเหมือนเราแล้วก็ตีนใหญ่เลยกับการกราบตาเนื้อๆอย่ น, อนะแต่ผมเห็นจะท่นแข่งขึ้นมัเนี่ไม่เห็นทั้งตัวหรอกไปเห็หกเก็ดวันไปอยู่กูบาา้านจันท์ คือมันมีทำอันหนึ่งสอดขึ้นมาหรือวิ่งไปหาอาจารย์โอ้ผมรู้แล้วว่าอาจารย์ปฏิบัติยังไงเดี๋ยวนี้ว่าจะจะจะผมจะปฏิบัติไปเปล่าอาจารย์อาจารย์ก็กึ่งท่าอะไรนาผมปฏิบัติอะไรวะโอ้เดียวนี้อาจารปฏิบัติผมพิหารสีอยู่ผมจะเอาอย่างนี้เอาเลยวันก็เลยทําย่งนั้นก็เลยสร้างผมพิหารสีแหละให้มันอยู่ในหัวใจตัวเองนั่มากๆเลย ปฏิบัติของเราให้เรามีผมวิหารที่คือความเมตตาเลยนะให้ได้มากการปฏิบัติมันจะพ่ายขึ้นนะ่ะสําหรับปูนะไม่ใช่คนอื่นเนอกครูบาอาจารย์อื่นไม่รู้ว่าท่านจะปฏิบัติยังไงจะปู่เขาตัวนี้เขาหัวใจได้ก่อนคมเมตตาเนี่ยแม้ทุกวันนี้ก็ไปที่ไหนพี่ อ, อยู่ที่ไหนไป ไม่พูดภาษาไหนชาติใดส่วนชาติใดเห็นไปเป็นมนุษย์ด้วยกันมมหมดเมตตาหมดไม่ได้เกลียดใครเป็นอางนั้นทุกวันนี้กูไม่พี่สี่ไหนกูมีดมีแต่ญาติพี่น้องหมดรูไปภูเก็ตไปอยู่สัมเดือนไม่จะอยู่ภูเก็ตจะอยู่พักงาเข้ามาภูเก็ตบุญบุญทำเยอะหยุดนิดก็เมตตาความเมตตาาหมดเลย ไปที่ไหนก็เมตตามีแต่ความเมตตาทั้งแต่ความเมตตาอย่างเดียวถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราออกปฏิบัติเพราะว่าปู่ท่าของปู่มาตั้งแต่มันเกิดแล้วมันเกิดท่าเพราะไม่ได้โกรธใครเกิดขึ้นมาความโกรธไม่ค่อยมีพอลูกความขึ้นมาไม่ค่อยมีความโกรธเขาจะฆ่าจะแกงเขาจะตอีอะไรก็ไม่โกรธเขาคือมันมีความเดิมมาอยู่ คือการปฏิบัติปูกก็คงจะมีของเดิมและเพรามันได้ง่ายหน่อยพันษาที่สิเอดเดือนสิเบเอ็ดขึ้นสิเบสเอ็ดข้ปูถอดได้แต่ปูกก็รอเวลาพิจารณาตัวเองอยู่ก่อนพอเจะออกรับนิมนออกข้างนอก พิารว่ามันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมมันจะจริงหรือไม่จริงนั่นแหละถ้ามันจริงมันคงไม่เสื่อมว่าไงก็เลยพิจารณาดูตัวเองเออมันไม่เสียบมแน่เพาไปนิมนต์ก็เลยรับนิมนต์ออกมาออกมาก็เลยออกมาก็พุ่งมาเลยคนมันเลยมันเคยได้มาเทียบข้างหนึ่งหรือว่าอยู่ทีนีมาปีแรกเนะราเพิ่งรับนิมนต์ตอกปีแรกเรียนมีนา วันมาครับูชาวันที่สิเบเอ็ดรับนิมนต์ออกมาพิจาราดูตัวเองสักสิบปีไม่ดู้ว่ไม่เสือมถึงค่อยรับนิมนตนออกมาไมง่ายกว่าเอาตัวเองปุก่กกันปฏิบัติของปูม่มันถักหน่อยหลักรับเหล่าคุณแก่นั่นเลยชิ บ, บันปู่ชอนข้าวข้างหนึ่งให้ ว่จะถอดถอนได้นที่จังะกอดปู่บุรีปู่ก็ไม่สูบปู่ก็เพิ่งมาถูกเพื่อปู่จะถอดถอนนี่เดี๋ยวนี้มันก็คงจิตกันเลยนี่แะทั้งที่บวชทีแรกก็ไม่สูบพอมาจะถอดถอนตรงนี้ก็มาอ่านอยู่ใน่องบุลปุรีคนมันทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเขาว่ามันมีสารชนิด ที่สัมมาเสียมสมบทสภาพทางเพศได้กูก็เลยซอร์สองอา้าวอุสุบุหรีที่มันเสียมสมบทสภาพทางเพศได้เนี่ยครับเรามาประกอบกับเรางดอาหารเราจะไม่ถอดถอนได้ง่ายขึ้นไอ้คนกู้นีมาทําดูมันก็เลยถอดถ อ, ดถอดไนได้ง่ายที่วันจะถอดถอนได้เนี่ยมันเห็นกาขาวก่อนเคยได้เห็นไหม กาเข า, ขาวเหม็นลูกกระหยังเนี่ยจะไปร้องกากาบินไปแต่มันเขาทั้งตัวมหมดเมนลูกอย่างสองตัวอันนี้เห็นด้วยตาเ น, นี่ยนะนั่งเยห้าโมงเย็นจะลงเด้นจงกรมกาขาวมันร้องผัานการ้องกากาไปจนสเดที่ตัวที่สองก็ร้องไปจนจุดที่ พอเทรนงกรมเจตตรวจจันเกินมันทำมันแล้วก็เข้านัำธรรม น, นานี่ก็เท่ากาขา ว, วดำตพิจารณากาขาวสองตัวพิจารณาดูกาขาวนี่มันจะต้องเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรรดาเป็ดาวของพระพุทธเจ้าพระองค์ของพระองค์ทั้งห้านถ้าหากเป็น มีาการบรดาของพระองค์ทางห้าเขาเราจะไม่เป็นลูกหลานของพระองค์ทั้งห้าเลยว่าท่านก็เลยไหว้มีน่ะรัดจินใจด้วยคงจะเป็นอย่างนั้นท่บไม่งั้นเราไม่เห็นเรากาเข่าเพราเกิดมาไม่มีใครเห็นว่าถ้าเราไม่เป็นลูกเป็นหลานของกาเข่าเราก็คงไม่ไม่ของกาเข่ามันจะไม่เราจะไม่เห็นแน่ไปก็เลยพิจารณาดูพคนนั่งภาวนายังไม่ได้หลอก พอจะลุกม า, สาใส่ญาติยัได้ถอดถอนได้ตรงนั้นตรงส่ญาติท่าสญาติก็เลยพิจารณาดูแล้วนี่ก็คงมคงแก่นแน่นอนเนี่ยควรเป็ได้ก็เลยตัดสินใจตัวเองเยกูก็พุทุกุกอีกัางเดีย ว, ยวแล้ะไม่ต้องได้กลับมาเกิด อ, อีแล้วกู มันถอดตรงนี้ได้แต่เชื่อกันเกิดมันถอดได้แล้วไม่มีเชื่อกันเกิดมันจะมาเกิดที่ไหนนมวะต้องไม่ได้กลับมาเกิดกะดวงวิญญาณตัวเองเพราะกรรมฐานอยู่อง์เดียวไม่ได้ไหลดวงไม่จะหาพวกหาเพื่อนอยู่องคเดียวไปตลอดเพ <c oughs> ิ่งจะมีสองสามปีมันเองที่มีหมู่คณะไปอยู่ด้วยมั้ง ก็สร้างนั้นสร้างนี้ก็ามาสร้างศาลาเสร็จก็มาทำถนนสองกิโล ส, สนนเส็จก็มาสร้างกีดีเสร็จนี่ต่อไปว่าจะสร้างไอ้ว่าจะทำแกลบดินเก็บน้ำให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ด้วยไม่ใช่ใช่คือปุ๋ย จะไม่ค่อยจะเก็บจะทชงจะตังปทุชงปัดใจอะไรที่ญาติโยมไม่บริจาคไปฉุบกูจะทับจะทําประโยชน์หมดรูไม่เก็บไปแต่รูร้โบราณเก็บอกให้เก็บหยุ่นแหละถ้าไม่เก็บไปเมื่งเวลาตายจะทับมาอ้าวเวล า, ากูตายกูก็ไม่เอาตังมาเผากูรอกว่าแล้วตังมันเผากูไม่ไ ม, ม่รโดนมีตะไฟแค่นั้นแต่เผากูไม่ไมบอกเขาไว้เป็นอย่างนัน เราตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยมันตั้งใจได้เราเป็นฆราวาสเราก็ปฏิบัติได้เหมือนกันเ mm. พราะการปฏิบัติมันก็มีท่านเหมือนกับเราสร้างบา ร, รมีของเรา น, นั่นแหละสร้างบา ร, รมีใส่ตัวเองการปฏิบัติคุณทานะบา ร, รมีการให้ทานเราก็มีอยู่เมตตาทนน้อยท่านมากก็ตามศีลบา ร, รมีเรารักษาศีลก็เป็นบา ร, รมีของเรา เนคัมมะบารมีเรายังไม่มีเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะเราปฏิบัติเนคัมมายังไม่ได้พก hmm. ปัญญาบารมีก็มีได้นะที่เนี้ยสัจจะบารมีเราก็ตั้งของเราได้เนี hmm. ่ยนิยยะบารมีราก็ทำกุมเพียนไปเรื่อยๆวิริยะคือกุมเพียนนั่นแหละลูก สร้างให้บ่อยๆทำไหมบ่อยๆแบบไร้น้อยก็ทําได้มากกว่าตาแล้วแต่อัตยาใสของเราเนี่ยมันก็เป็นบารมีของเราเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปก็เมตตาบารมีมุทิตาบ่ไอ้กุหลุนาบารมีมุทิตาบา ร, ม, ม, าบารมีอุเบกขาบารมีมันก็กลายเป็นอุปปะบา ร, รมีและประารมัชฌาให้เรากินะมันเสริมให้เราอยู่เป็นบารมีของเรา่ะ เรียกว่าปรามาตัตถะเป็นปรมัติของเราไนงะเหมือนจอารักษาโลกกันะก ต, ตั้งใจทำแต่มันก็ได้ผลคือใจิตใจเราเคยร้อนแดงมาจะอ่อนลงเหมือนเรากร อ, องไฟให้ลุกยเยอะๆนะเราก็หาน้ำไปพรมมันรอนให้มันน้อยลงไปมันความร้อนแดงมันก็ไม่มากขึ้นไนงะ มันก็เหมือนกันเราการปฏิบัติของเราสร้างบริเหมือนกับเราเอาโอ่งใบหนึ่งไปรองน้ําน้ําหยดลงในโอค์ทีลปักกระปักเล็น้อยเนี่ยนานไปมันก็คงเต็มโอค์ได้การปฏิบัติของเราเมือนกัรสร้างบริมีของเราหลายวันเราทําหลายครัง้งหลายหนหลายครัง้งหลายหนขับพ่อกปูนขึ้นไปเรื่อยเมื่อต่อไปมันก็จะสามารถบรรลุได้นั่นแหละ มีแลกเราก็ยังไม่เห็นการทำท่านสูงต่อไปมันก็จะได้เห็นเพราะบารมีเราสร้างมาเรื่อยๆท่านจะคิดเอาโดยตรงนะอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเปรียบปรยอย่างหลวงปูนะ่เนี่ยเป็นชาติที่เกดแล้วที่ปูทป่ทํากุเพีศลมาแต่ก่อนไม่ได้บวชเป็นฤาษี <c oughs> ชาติก่อนไปเนี่ยเป็นฤาษีอยากจะฟังเรื่องของปู่เป มันควบเพื่านคนทำลุกปู่ใหม่ท่านจะบอกได้หมดมีลุงปู่ใหม่วงเดียวท่านที่รับรองทำกองปู่จะเป็นองแรกตั้งแต่พรรษาที่สี่ที่ห้ากองปูุ่ปู่ใหม่ท่านรับรองท่านไปหาปูใ่ในลูกศิษย์ทุกหาท่านฝันมาเราต้องปูกกับท่านเคยปฏิบัติร่วมกันมา เจ้ปู่ของเป็นสิทธของท่านปู่เป็นฤๅษีท่านเป็นพระเป็นแบบแถวปู่เก็ดปูด่ที่นี่เราปฏิบัติกั น, นยอกับหลวงปู่มันเพราะที่นี่มันอุดมไปด้วยอาหารของฤๅษีอาหารของฤๅษีมันไม่ใช่มาจิ้นข้าวกับชาวบ้านถ้าเป็นฤๅษีจริงๆนะจิ้นผลไม้คลากม้ ตามเขาตาป่ากินมันเคยตาป่าลือสีมันจะกินอย่างนั้นไม่ใช่มาขอข้าวชาวบ้านเขากินอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ลือสีมันขอข้าวชาวบ้านกิน <c oughs> มันก็เลยว่าลือสีปลอมครับผููเคยไปปฏิบัติอยู่มันไม่ตายง่า ย, ายนะมันจะกินอะไรก็ไม่ได้ตายง่ายพูดเคยเป็นไข้ยอยู่นะ ตั้งแต่อายุ20กว่าปีเป็นไข้ามาเลเรียสามเดือนปุ๊ไม่สิกินข้าวสักเม็ดเดียวเลยกินไม่ได้พอจะเอาข้าวข้าป่าูอ่าอาหารอัไหนที่มาถูกไฟเนี่ยววับออกหมดเลยมันกินยากกูไม่กินหัวไม่แหละไปหากินผลไม้ชาวบ้านเขาก็อบอกว่าเ อ, อ้ลูกอ๊เร่อยาไปหากินมากเลยผลไม้ มันจะเปียกไข่เราเป็นไข้ป่าเขาว่าอ้ยมันไปไห้กินก็ไม่ได้แล้วไม่มีกําลังจะไปไหนมาไหนไรใจเอ้ยจะตายให้ผมใจเถอะจะใจเขาฝังทิง้งไปไหนวันนั้นก็ได้หรอไม่เป็นไรหรอกเพราะมันกินข้าวไม่ได้กินปลาอะไรก็ไม่ได้จะไปกินอะไรอาหารอะไรก็กินไม่ได้เนี่ยมันเหมินมันจะอ้วกหมด อ, อะไรมา ถูกกินมันเฉยมันก็อาวกแล้ววะน่ยถ้ากินผลไม้กับเปรี้ยวบ้างหวานบ้างอย่างนี้มันไม่ได้วอกใชไมกินนันนี่แหละใส่เพิ <c oughs> ่มขึนไส่นั่นเป็ประทางชีวิตสามเดือนเดินตัวปิวเลยเหม็นนุน่นเมื่อสมัยก่อนมันอยากจะรักษาโรคไม่ค่อยมีนะมีอะไรยาเม็ดเลีงเลี้ยงแล้วเขาเรียกแต่สมัยก่อนเขาเรียกยาขี้นินนะไม่คนมีร้านสายฟก ป่วอยู่ในป่าอาใัยนอนอยู่กับวัดหาซื้อยาไม่ได้แล้วก็ไม่มีร้านขายชาทั้งสิทแต่ทุกเจ้าต่างก็กดทำไมนั้นไม่อายุปุ่ยี่สิบกว่าปีเห็นทุก ป, ปิว้วเใครก็ไปเห็นเขาเพราะว่าจะไม่เหลือแลลวแต่ไม่ถึงเวลามันก็ไม่ เป็นอะไรง่ายๆล่ะเป็นอย่างนั้นพอเข้ามาปฏิบัติจริงๆปูเอาจริงๆเนยูดไม่ได้อยู่จริงๆต้องดูดสามเดือนเข้ามาทีแรกพอเข้าบันศาพปูป๊ๆูกอธิษฐานเลยต่อหน้าพระพุทธรูปนี่เลยจับห้องปฏิโมกให้จบ ถ้าปฏิโมกไม่จุกจะไม่จับหนังสืออื่นออไม่เอาข้าวกรีดไก็ได้สามเดือนในพรรษานั้นจุกจริงจปิงปฏิโมกพอออกพรรษามาก็สวดปลุกเพื่อนได้อเอากิีดเลยพอออกพรรษามาแล้วก็มาออกไปภาวนาอยู่ในจีนเขา พรรษาแรกก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกพรรษาแรกพอออกพรรษาที่สองมาเนี่ยท่านนั่งผ่านเวทนานั่งให้ผ่านผ่านเวทนาใหญ่ได้พอปรรษาที่สามก็ขึ้นเขาลังกาไปราวนาอยู่องค์เดียวก็ได้ผล ใช่ได้อยู่ผู้พัฒนาให้เดินปัญญาถ้ามันไม่สงบถ้าคนไหนไม่สง บ, ม, ม, ส ม, บมันไม่อยากสงบพามันเด็นปัญญานะตัวปัญญานะั้ะที่จะพาเราไปสู่ความสูงได้คือใช้ปัญญาตัวเดียวให้เพี่เจรณาร่างกายของเราเนี้ยอย่างผมไม่เป็นของเราไหมถ้าหากเป็นของเราเราจะบอกเขาได้ไหม บอกว่ามึงแกมามึงอย่างหงอกนะมึงอยากมีเส้นเขานะให้มึมีแต่เสรร้นดำตลอดมึงก็พงพอได้แล้วถ้ากินของอันนี้มัไม่ใช่ของเราเขาอยากหงอกเขาก็หอกเขาอยากดำเขาก็ดําไม่ใช่ของเราแม้แต่กิจจิตทัศนิตของเราเนี่ก็ไม่ใช่ของเราอย่าถือว่าเป็นกิจของเราถ้าหากเป็นของเราเราก็บอกเขาได้กิจของเราได้คิดจากนั่นอย่างนี้นะให้มึงเป็นสุขทุกเมือ่อ ก็พอจะได้ตาปรารถนานี่ยแหละแต่นี่มันไม่ของเราเขาอยากคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาก็อยากไปเขาก็ไปไอ้เจ้าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเมื่อเรารู้ให้เปลี่ยนให้เรารู้ตรงนี้ว่าใจจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยมันไม่อยู่กับแตกมันขาดมาอยู่กับเราแล้วก็จบเขามาทําหน้าที่ของเขาใช่ๆแล้วเราก็โยนให้เขาเป็นอยู่ทุก ขังอันนี้จังอนัตานั่นสิฮส่งข้อเข้าไปเขาไปอยู่โน่นแล้วก็เฉยเลยทีนี้มันจะคิดอะไรเขาคิไปทีเร า, เรามันจะคิดอะไรก็ให้มันคิดก็ดูเขาดูไปตามนั้นนี่การภาวนาเราใช้ปัญญาของเราางพอเขาคิดไปปรุงแต่งไปํามสภาพของเขาแล้วมันหมดทางที่เขาจะคิดในเรื่องแต่และเรื่องเขาก็หยุดเขาก็มาเรื่องใหม่ไปคิดอีกเหมือนเดิม พอเขาทำหน้าที่ของเขาตามใจลักของเขานั่นเหมือนอย่างตาเราเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ตามใจลักของเขาก็ามีหน้าที่รู้นั่นไม่ใช่เพราะเราเสียใจเราเอาเขาไปด้วยมาได้ตัวของเราที่แท้จริงก็คือใจใจอยู่ของเรานั่นนั้ตัวจริงเขาเป็นธาตุรู้อันที่จริงเขาเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ ที่ไปเขียนไว้ว่าเป็นใจะเหมือนดังว่าใจที่แคกอย่างนี้นะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ตัวเราถ้าเราจะเอาตัวนั้นไปเข้านิพพานไม่ได้เพราะประตูนิพพานมันแคบเข้าไม่รวมประตูนิพพานเส้นผมเราในีผ่าสามแยกเข้าประตูนิพพานฝืดเพราะเหตุ น, นั้นจึงไปได้แต่ธาตุตัวธาตุที่มันเป็นใสไม่มีที่เปียกแต่เราหองไม่เห็น ทำไมจึงเราจะมองใจของตัวเองไม่เห็นก็เพราะมันมีเมฆมาบังก็คือกิเลสบังมิดไม่ให้เราเห็นใจจริงของเราถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาจนิตใจของเราให้มันถึงทํำเข้าไปเรื่อยๆไปเรือยอีกเราจะมองเห็นของเราใจของเราเหมือนเราเอาจานใบหนึ่งมาคว่ำไป ไทไม่มีที่เปียกตัวของเราใจของเรานะที่จะไปสู่นรกหรือจะไปสู่สวรรค์หรือจะไปสู่อะไรเป็นอะไรไดทั้งหมดหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรตัวใจของเรานี้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายหรือจะเป็นเกิดเป็นเทวดาเป็นเทววุฑุเป็นสัตว์สวรรค์มันอยู่ที่การกระทำของเราเอง นี่พวกดื่มสุรามากๆอย่างนี้มันจะหาบัตตัวเองจะไปเกิดเป็นมนุษยเหมือ น, นเดิมก็ไม่ได้สาวกของพระพุทธเจ้าเคยถามพระพุทธเจ้าที่เดินทางไปโทรศัพท์วกร้อยลูกเดินไปกับพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าก็พระอนุนเป็นคนถามนพระองค์ บุคคลที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนั้นมีมากเท่าไหร่ว่าวงก็ตอบพระสีให้ภิกษุทั้งหลายนั้นูภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นโคตัวนั้นไหมที่แท้ญาอยู่กลางทุกขพวกภิกษุก็ถามก็ตอบเห็นพระเจ้าข้าว่าแนวพวกเธอ ดูไหมโคตัวนั้นน่ะเขากับขนอันไหนมันมากกว่ากันพิฆสุไปตอบับเขาขนมันมากกว่าพราะองค์นั่นแหละมนุษย์ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนั่นน่ะเท่ากับขนโคที่จะไปเกิดไอเท่ากับเขาโคที่จะไปเกิดเป็นสัตว์อืดนนั้นเหมือนกับขนโคเท่ากับขนโครพระองค์ว่า แต่พวกเราเข้ามาได้ปฏิบัติวันนั้นวันนี้โดยเราก็ควจะมองรู้เลยว่าคนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์มันก็ปฏิบัติตัวเหมือนอย่างสัตว์จิตใจก็ของมันไปจะเป็นสัตว์ไปไม่รู้ความเมตตาไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะนั่นเองคนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็จิตใจมันก็มีพวกเมตตาคารุนาะ มุทิตาแม้เราทำงานอยู่อย่างนี้แหละหัวหน้าก็มีควา ม, าวามเมตตาต่ อ, อลูกน้องลูกน้องก็มีความเามตตาพิงพาใจกับลูกพี่ไปการงานของเรามันก็สาเร็จผลประโยชน์ได้กันปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเปรียบเปรียบข้อเปรียบเทียบมีมาอย่างนี้เรกเปรียบเทียบกันได้ในการปฏิบัติเราใช้ปัญญาของเราไปเปรียบเทียบมัน การนั่งภาวนานเราเห็นอะไรจิตเราเรารูกก้จิตของเราก่อนนะจิตของเรามันอยู่ในขั้นไหนขั้นกานิกะอุปจาร ะ, ะอัปปมานาถ้าจิตของเรามันในอุปปานิกะรนี่มันก็ดูเกี้ยว ๆ, ๆไปก็จะซักหมกนี่จิตกานิกะกจิตอุปจาร ะ, ะเป็นจิตที่รวดพูลจุดทยานพอนั่งไปปุ๊บปับ๊บ มันรวมเขานิดหน่อยก็เห็นแล้วเห็นนั่นเห็นนี่เห็นผู้ผีผีศาเห็นสวรรค์เห็นท่วบุตรทิวดาไปถ้าอัปปมน า, ามันจะค่อยสงบค่อยนิ่งค่อยสงบเขาไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆจนสงบเต็มที่สักสองวันก็ได้นะอัปปมน า, าแต่กูวาจารณของปู่มันจะบอกให้ถอนออกจากอัปปมน า, าเลยไม่ให้อยู่ S <S <an other> จะตายอยู่นั่นเหลือนหลยบอกกูชิ est. ดอยู่ในความจักบนั่นเหลือมันจะไปถึงที่ไหน้ามันเป็นขึ้นหมูขึ้นเขียงเขาไม่เช่ลูกกูบาบ า, บามันไม่ได้ต้องผอนออกมาเดินปัญญาคือปัญญาเราเท่านั้นที่จะพารถไปสู่ธรรมสูงได้ เราใช้ปัญญาเด่นทําตัวของเราพระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสัดทำไว้ให้พวกเราท่านไม่ได้เอาจากที่ไหนท่านเอาตัวของท่านเองเป็นบมดแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์อยู่ในตัวของเราทั้งหมดรำมาของพระุทธเจ้าก็อยู่ในตัวของพระพุทธเจ้าจะได้เอาออกไปสอนโลกท่านจึงได้ประกาศตัวของท่านออกมา พระพุทเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามแต่สภาวัธรรมมันเกิดขึ้นมาก่อนพระพูทธเจ้าที่จะมาอุบัติขึ้นแล้วเพราะพระองค์เกิดมาก็มีบีรามารดามาเหมืนกันปิดามารดาท่านจะทำไมจึงไม่สําเร็จมาก่อนนั่นเพราะไม่รู้ในร่างกายตัวเองไม่ได้มีปัญญาเดินตามร่างกายตัวเอง พระพุทธเจ้าท่านมาโคดจ้าหันมาทำอะไรทุกคน ท, กทุกอย่างท่านจึงรู้เลยภายในของตัวเองแล้วนํำทำภายในของตัวเองมาสอนโลกไม่ใช่สี่ไหนพวกเราที่เกิดมามีทุกคนอริยทัศนี่มีทุกคนใช่ไหมอายิยตนรภายในหกมีทุกคน อยในตัวผมเราผมคนที่ฝันหนังใหอาการชันทิ่สองอยู่กับเราหมดนี่เราก็เดินตามตัวของเราเนี่ยแหลเป็นธรรไม่หาใครสอนก็ได้เราเดินของเราเอางก็ได้เพระเดินตามตัวของเราแต่ทำมันจะผุดขึ้นไปเรื่อยนะเราดูขันของเราเนี่ยพิจารณาขันของเราทั้งห้าเนี่ยมันทํางานอะไรมันไม่มาทางไหน มันเป็นมาได้อย่างนั้นอย่างนี้มันรวมกันจึงมาเรียกว่าขันจึงได้กว่ารูกทุกอย่างมารวมเข้ากันแล้วจึงเป็นรูปมีทั้งอาการสามสองมีทั้งธาตุสี่มีทั้งการถึงมาเป็นขันห้าถึงมาเป็นขันจึงมาเป็นรูปได้ขันท่านก็แยกออกจากรูปมันมาเป็นรูปแล้วก็เรียกเป็นขันออกเรียกว่าขันห้า ทุกอย่างมันมารวมกันถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นขันไปไม่ได้มาเป็นขันห้าไม่ได้มาเป็นรู ป, ปอกโอกไม่ได้ท่านเอาในตัวของเราเราก็เอาในตัวของเราเป็นเดชปัญจาในตัวของเราย่างแขนของเราเป็นของเราไหม ถ้าปิดของเราจะตัดไปที่นู่นนะแขนมันจะเรียกว่าไม่เป็นเขนไหมใครเป็นคนิยมนะมันูกเขารวมเข้าไปแล้วมันก็อยู่ที่ใจของเราเปิดคนเรียกเขาใจของเราท้อเหตุนั้นเราจรึงการบำนาเราจรึงเอาใจของตัวเองไปที่ทั้งใจมันคิดขุนมัวกับคนใดมันคิดตะเกียบอันนั้นอันนี้ตัดกันลงที่ที่ใจอย่างเดียวนะแล้วก็อด ส, สติสวดสติจนมาแนบกับใจนั้น กับคำบริกรรมถ้ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนละ้วทำมะมันจะเกิดไปเรื่อยเราจะมองเห็นเองที่นี้มันจะเห็นทมทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์กองอยู่ที่ใจเราหมดมันไปอยู่ที่อื่นมันไม่เรียกเพศนะไม่เรียกไปนะใครทำได้หมด แต่ว่าคนนั่นจะเอาไปทำอย่างูาา้พาจัดไม่ได้เราเป็นคารวะาไม่ได้คาราทกุปฏิบัติได้ผูเคยปฏิบัติมาแล้วไม่เห็นว่าอะไรทำก็ไม่ได้ต่าลงทำได้หมดเลยผู้ที่ทานั่งสมาธิภาวนาบ่อยๆการทำงานก็ไม่ค่อยจะผิดพลาด เรามเอาสติมาอยู่กับคำพูดคำทำถ้าหากเราคาดสติเมื่อใดจะความผิดพลาดของเราจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าหากสติเราดีอยู่การทํางานของเราก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดกเา็เคยทํามาเคยทํามาเมืนกันงานวูจัยปุบปุบไม่เคยทํางานวิจัยอย่างนี้ทํำแต่งานห น, นักแค่จักแดดตากฝน ทำเป็นงานช่างบ้างทําแบบอยู่นในร่มบ้างทำอะไรทุกอย่างทําทุกอย่างปุ๋ยทาหมดหาเรื่องเคีบไปทุกวันอาทิตย์ขนาดนี้เอาทุกอย่างตอกอบกันค่าก็เอาจะค่าเล็กเต่เคยน้อยอนยะู่นะเรื่องช่างกระช่างทำบุตรทำบ้านเรียนให้คนทําบวชวิหารก็ให้เขาก็ทํา ตจสลั ก, ก็เอาทำงานเป็นช่างกันระำโบก็เอาขอาหมดทำได้หมดทุกอท่าทำมาทุกอย่างไม่เกิดม า, เ, าเกิดมาไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติอะไรมาเอาใจคำพันที่พ่อแม่ปันให้พ่อแม่แบกมาแล้กูจะไปเอาอะไรพ่อแม่จะแบกสมบัติใช่ไหมเอา สมบัติที่พ่อแม่แบ่งให้ก็คือกำปั้นอาญินขาเคยตั้งครอบครัวมาก็มีครอบครัวก็มีลูกหลายคนอยู่ห้าหกคนดเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนี้3คนแต่ไม่ค่อยไปกับเขาไม่ไปหาเขาเขาดูแถวตะลิ่กซันฉันลูกสาวลูกชาย นี่ก็หาจินยนังทะมาพอแ้่าขายก็เอาตอนที่กลุนผัวเขาบวชมาก็คิดอย่างเดียวเราเกิดขึ้นมาคิดคิดอยากช่วยเผื่อมนุษย์ให้หาเลี้ยงครอบครัวให้ได้สมบูรณ์ไปไปให้ฝืดเคืองนะไม่ให้ใคิดกุมวกุมใจเราเคื มือเกยหน้าผากมาพอแล้วเราไดรับทุกข์มามากแล้วไม่อยากให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่เป็นทุกข์มากพอพาเรียกครอบครัวเขเรียมันทำของแกกอายุๆๆทำจะของแกะไปอย่างเดียวให้เขาได้ทำแต่แกกไปใส่ก้อยยังก้อยอยู่นะแล้วเขาก็มาสบายใจหน่อย ไปที่ที่แจกไปที่ไหนก็ใช้ก็ใช้ได้หอกเพราะจิตมันมาอย่างนั้นปลูกตั้งกิตเป็นมีตัวพรมเมตตาดียวนี้ทุกวันนี้ก็อยู่กับพรมเมตตาอยา่างเดวเผื่อจะทำบารีช่วยญาติพี่น้องพอได้มาไพอไปที่ไหนก็เหมือนญาติพี่น้องหมดไม่ได้คิดเป็นอื่น ก็ไดมาทำของมงคล น, นี้แกกเดี๋ยวนี้ก็คือหาใหญ่ฟึ้นไปภูกเกต็ตของที่แกกให้เขาเกิดเพราะภูกเกต็ตมันทำมาค้าขายเยอะมีแต่ค้าขายแข่งขันกันแข่งขันกันไม่พอหามุนดำมาแดงมาใส่กันอีกเยอะๆทั้งภูเกต็ตเขาเกิดอย่างนั้นนะบุกคนไหนที่ ที่บาค์าขายกันได้กดําไรโดยขายก็ลูกค่าเยอะมันจะหามุน ด, ดับมนแดงมาใส่กันให้เสือ่อมอย่างนั้นเูเก็บแข่งขันกันจริงๆไปที่ไหนก็มีใส่ค่าขายแข่งขันกันมึงมีกูก็ให้มีมึงได้กูก็ให้่อยกูได้ด้วยให้กูมีด้วยมันก็ได้แข่งขันกันไม่เหมือน บ้านเราหรือบมันเาไม่ค่อยแข่งกันกันหรอกใครขาดเหมือนกันใต่ไม่ค่อยไปแข่งกันใครทําได้ทําไปใครขายได้ขายไปใครขายไม่ได้ก็พอดูดพอกินไปมันไม่เหมือนภูเก็ตภูเก็ตจะมีเอาให้ได้มึงมีอันหนึ่งกูต้องมีด้วยมึงมีรถกูก็ให้มีด้วยก็หากรหน่อกแข่งขันกันอยู่อย่างนั้น ทุกอย่างแพงหมดอาหารการกินแพงกว่าเราเยอะก <c oughs> ็คงจะได้พากันไปอยู่บ้างเนาะจะ่ปู่เคยไปครั้งเดีย ว, วเราบอกว่ามันแพงกว่าเรา <c oughs> ไปอยู่ท้ายก็พูดเหละใครเก่งให้เขาใส่มาในของบนระบนเนี่ยพวกปู่ลูกปู่แกไปม้อเ่งกันได้ะ <c oughs> มันก็คงจะป้องกันได้จริงแตะปู่ก็มาทำอยู่หลายครักอยู่จะไม่เป็นไรพกเขา อ, อมน ด, ดํามนแดงมาใส่เขาไปจ้างไป ห, หมอเรามาใส่ไม่เป็นอะไรขงปู่มันใส่ไม่จีดที่ปู่ทําแจกออกไปนะมันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้นะเดินยกบมก็ให้มีการดูเดินรอบบ้านล้วก็ได้หรอกชีเดินมันมีเยอะพอคนเยียบคนหน่อยก็ลุกขึ้นเดินยกบมการเดินการเดินกับการนั่งให้มันเสมอกันหน่อยพอแก่ตัวมามันจะไม่นั่งเลยในนั่งรถเข็นถ้านั่งมากๆพอแก่ตัวครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นั่งรถเข็นไม่ได้ท่านนั่งมากไกลๆท่านไม่เดินแต่เดินมากกว่าไม่เป็นไร ไม่ไน่งเดินมากกว่านั่งอย่างหลงวงตาบัวนี่จนละสังขารไม่ได้นั่งก้อยนั่งกั้ที่แนละ้วท่านก็ไปสบายของท่านอย่างหลวงปู่ชอบหลวงปู่มะฮามบุญมีนั่งรถเข็นเพราะท่านนั่งมากกว่าเดินการ น, นั่งมากเส้นเอ็นลรามันขุดข้าไปเยด ก, ก, กูมก็ยับออกมือนดอก เรานั่งทุกวันนี้แนหะละเราหนุ่มๆเราก็นั่งลองดูนะถ้านั่งนานไปเหยียดขาไม่ค่อยจะวอวบยกเลยนวดขาก่อนยิ่งเหยียดออกได้ไม่เหมือนเดินนะเดินไปเท่าไรยิ่งแข็งถ้ามันเก็บน้องหรือเก็บอะไรอย่างนี้นเดินไปจุดมันหายเดินอยู่นั่นเราไม่ต้องหยุดให้มันหายก่อนจึงหยุดแต่ในขณะมันเก็บหรือยับเพิ่งไปหยุดเดินให้มันหายก่อน มันหายได้แต่เราเท่ามันแพงหรือมันน้องมันปวดเลยเราเดินเดินให้เดินจนให้มันหายผู้เคยทำ้วมันมันจะไม่หายอีกพอเราเดินจนมันหายแล้วมันมันจะไม่ค่อยเป็นอีกการเดินดีผูดถือว่าการเดินดีกว่าดีกว่านั่ง เดินตลอดคืนไม่เหนื่อยแต่มานั่งไม่ถึงสามชั่วโมงเหนื่อยกว่าเล้ อ, <c oughs> อเขาเป็นไงกโโูไม่รู้อ่ะปูกปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นแต่ปู่เดินตลอดคืนไม่เหนื่อยดู่สี่คืนปูกไม่ไม่นอน เ, นเดินต่อกันถึงเวลาออกบินธบตถึอองออกไปบินธบาธบิตก็มาก็ไป นั่งปรบนาเลี้ยงเล็กน้อยแล้ทุบตุนไปเรื่อยๆนั่งทําอันนั้นอันนี้ทําของมงคลแจกให้ชาวบ้านก็ทุบตวดไปเรื่อยๆในตัวอะรเอาถือโอ้นั่นเนี่ยเป็นการสงบคือ <c oughs> ความสงบพกปูมไม่ได้เหมือนหลับบางองค์ท่านจะนั่งให้สงบอยู่ในนั้นให้มีความสุขอยู่ในความสงบนั้น จะปัญญาไม่ค่อยจะมีไม่ผูกไม่ให้มันสงบเห็นอะไรได้อะไรมาก็พิจารณาจงเอาอันนั้นให้มันครบถ้วนพิจ า, ารณาร่างกายตัวเองก็ให้มันครบถ้วนพิจารณาเป็นนานๆจิตของเรามันพราพิจารณาให้จิตเรารับทราบพอจิตรับทราบจิตมันจะปล่อยวางมันจะปล่อยวางไปเรื่อยๆแล้วโอ้อันไหนมาพิจารณาพอมันรับทราบแล้วมันก็ปล่อยวาง มันเอาอะไรก่องใจจิเป็นตัวปล่อยวางนี่พี่ารณให้มันปล่อยวางรูปมาขันหน้ามาขันของเราเนี่ยถ้าจะให้มันเอาได้จริงจริงอย่างพระพุทธเจ้าก็ให้ปล่อยวางรูปมาทํานํามาทําถ้าปล่อยวางสองตัวนี้ได้ได้แล้ว ไม่ได้ยายถ้าจะปีพีจานาให้มันถึงทำท่านสูงก็มันมีมกันละบัางพระบริพทธะสองออเสียแล้วก็ละบริโพุกสองให้น้อยลง เนี่ยที่นี้ก็ไปละโทสะโมหะโทพระทิฏิมานะห้าตัวละตัวนี้ได้ก็ไปละมานะอุทาจักกุกุจจถึงนิพพานถ้าจะเอาทําให้มันสําเร็จง่ายๆก็ได้โดดมันไปน่นเลยไปละมานะอุทาจักกุกุจจ์ตัเนี้ย หมดสธารตัวนใดจะหมดเลยถึงนี่ผ่านเลยถ้าลาได้รักให้มันได้เสร็จแล้วคยรไปได้ก็คือรักปัญโภธาสองคือเรื่องกลุกังวลนัน่นแหละคือเรา ออกมาอย่างนี้เราจะมาพัฒนาเราก็มีกังวลอยู่กับครอบครัวบ้างกังวลกับครอบครัวกับผมกับลูกบ้างกังวลกับญาติญาติบ้างคนนั้นคนนี้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็กวมกังวลมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยตระระวนที่ออกไม่ทํามีความกังวลละออกได้ก็เจ้ากิตนั่นแหละจิจทิศน์จิตจะมีตระระละออกได้ เราไปรับโทสะโมหะโลภะชิติมานะ้นยว่าเราก็ละออกได้ก็เจ้าจิตเป็นตัวได้ลาออกได้ไหมในการปฏิบัติถ้าเราออกได้อันนี้ทั้งหมดมันก็ไม่ยากทำเป็นเราก็ตั้งนั่งภาวนามันนี่แหละคำ่าเิลาคำบุริกรรับมเราก็เอาทุกนี้ที่เราเด่น ปัญญาของเราเดินปัญญาอยู่ในกายของเรามีแต่ตัวปัญญามันอยู่ในนี้เราเดินตรงนี้ที่ยังคินีิมานุนมีพระ อ, อนุนไปเทศในฟังพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระ อ, อนุลไปเทศให้พระคินิมานุนฝัง ปล่อยวางรูปมาสัญญาณนำมาสัญญาณเสียรโรษเทศไปเทศไปพอปล่อยวางก็คิริมันุึก็ปล่อยวางปล่อยวางไปตามบุญเทศของอาอนุณเทศให้ฟังละอกไป ล, ละพ่อระโตกอาการอาภารของไอ้คิรมันุึงหายเหมือนปิดทิ้ง ไม่มีอะไรเศษเหลือพอดัดตัวนั้นออกได้แล้วพอปรุงได้ดังนั้นถ้าใดเมื่อเราเก็บปวดเป็นโรคนั้นโรคนี้อาภาษณันอาพาษนี่ป่วยเป็นโรคนั้นดุเราไปนั่งภาวนาพิจารณาให้มันปล่อยวางได้โรงนั้นอาการเรานั้นหายหมดเคยทํานั้นรักษาเคยทํำมานะปู่ไปผ่าตัด หมอเขาปฏิตัก่ด่วนเา่าถูกน้ำดีทิ้งอยู่โรงพยาบาลเข้าไม่ชันอะไรไม่ชันนั่งภาวนาที่คือให้หมอเขาตอดบอกเลยขอออกออกมาได้แปดวันหายหมดได้ <c oughs> ไม่หมอไปหาหมออย่างนี้มอเขานัดเขาไปแปดวันายาเมเดยวก็ไม่ให้เขาบอกว่าหายหมดแล้วก็หายหมดอริง เขาก็ตั้งบันนี้สิบกว่าปีแลวไม่เป็นโรคอะไรเป็นไข้ก็ไม่เป็นพอมันจะเป็นไข้หวัดไข้ขอะไรเรานั่งภาวนาแคบเดี้ยวมันปล่อยบางได้มันก็หายไม่สนใจมันมันจะเป็นไม่เป็นไปอันไหนมันจะเป็ี่ยนมันไม่ใช่กวกูหรอกรบมหมายใจกูหมดกูเอาเขาไปไม่ได้หรอกวางกันนะ <laughs> มันก็ไม่เป็นไรอะ มันก็หายได้ถ้าเราเป็นใครเป็นเรื่อยโรเรื่อยโรคอะไรก็ตาม่ะเราใช้ทำไปด้วยเราจะไปกินยาหมอมันก็ถูกง่ายคือเราไม่พิจารณาไปให้จิตเรารับทราบทุกกร่างจิตมันจะปล่อยวางในทุกอย่างแล้วมันก็ไม่สนใจหนยมันจะเป็นมันก็ไม่ได้จกทุกรอดอะไรพอไปถูกยาิดหน่อยมันก็หายได้เร็ว บางครั้งมันเราไม่ได้สัญญาณมันหายเองรักษาด้วยทรมันเป็นหยุบเป็นยาอยู่ดนะ้วยทำของพุทธเจ้าทุบหดเป็นยาหมดอย่างที่ปูกทำน้ำมนตมาปู้ก็ไม่นึกว่ามันจะไปรักษาโรคมะเร็งได้อะไรได้แนละจบเขา เอาไปกินเขาไปแล้วไปหาหมอเชื่อมะเร็งก็ไม่มีนมันมีพยานไหลปากหลายาหดอยู่ที่เขานำไปคิเรืม่มจะหมอหมอโรงพยาบาลโปรรับรองเลยที่น้ำมนต์หลวงปู่เพราะหลานหมอเปลี่ยนเองเขาไปเช็ดให้หมอให้หลานเขาเองได้น้ำมนต์ไปก็ใชหลานเขาห้องไอซียู เอาไปเช็ดเ ไ, ไม่ถึงยี่สิบนาทีคดึกกลจะเดินออกมาหลานมองตามหลังแล้วยิ้มให้รีบไปเอาหมอบหลานออกจากห้องไอซียูมาหลานก็สำคัญเน่ยเดินเล่นไปเลยไดสองวันไปทำงานเลยหลานหลานก็ดันตัวอายุสิบกว่าปีหลานหมอทังโุงพยานประลน ช่วงนั้นผู่มันพักอยู่ไอ้วัดใหม่เนชนาเขาหนี้มุ่นก็มามาพักกันเลยวันนั้นเป็นก็หมอถังเราฝีนเชอบภาพสวายอาหารได้ห้ีมุลไปพอดีหลานไปเป็นอะไรแนละ้วรถมอเตอไซค์ผ่นั้นมันเข้าห้องไงอซียู ทุกสรรหลานก็มองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ขวดน้ำมนตก็ขวดน้ำมนไปเช็ด ห, หล้านพอเช็ดเท้าตัวเลยไม่ถึงยี่สิบนาทีจะเจอออกมาเลยหลานก็มองตําหลานันเห็นหมอหลานมองมาก็มองกลับไปหา ห, าหลานเลยหลานยิ้มให้รีบไปหลานบอกจากกรุงพัฐบาลนียบ อ, อกจากห้อในสิยุมา ผู้ิเนกมันก็เอาธรรมะนี่แห ล, ละใส่ธรรมะ น, น, น, นี่แหละใส่าำนวนปิณจำนวนเลยไม่เลี้ยวนีกไม่มีคาถุงคาถาอื่นอะไรเลคาถาขระคาถาพระพุทธเจ้านะทํามําพปกติหลายคนเนะี่ย่ะหายเพราะไอ น้ำมันปูปุเป็นลูกมะเร็งมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระดูกปุก๊ไม่ไเมะเร็งอะไรแล้วมะเร็งเต้านุมชัดเจนก็นกมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลําไส้เหนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกินไปอาบไม่ใช่ถัวเข้าหายมาปีแรกไม่ไลยทาอะไรทําเสร็จน้ํามัน คนนั้นคนโตให้กันฟังแล้วคนนั้นหายไปน้ำมนตปู่คนนี้ก็ให้น้ำมนผู่เียีมันมาไปเท่าไหร่ปีนี้แล้วด่นนานเจ๊งตาขคนที่มนตมัก็ไม่ได้มามาไม่ได้มันอยู่พังงาอยู่ไกลกว่าจะถึง วันสองวันมันนอนครึ่องกลางสวันหนึงวันสองถึงมันนอนที่นี่นอนสองวันถึงจะได้ไปฉันให้เขาเลยก็เขาไม่มาไม่ได้ไม่ไหวแล้วนั่งเครื่องไม่ค่อยได้นั่งได้อยู่จึไม่หมดมันไม่เหมาะกับ ธาดกันของตัวเองก็เลยไม่อยากนั่งมาลวดมันคันใช้เวลามากก็นั่งเครื่องมันก็ไม่ใช้เวลามากกว่าคนบมนั่งเครื่องไม่ได้ส่งอากาศเย็นมันปัจจุบันบ่อยเครื่องมันมันเคยทํางานอยู่ในแอร์มาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วมัน เบื่อแอร์ที่ <c oughs> เป็นวันที่ไหนก็เปิดแองให้ก็ไม่เอาเลย ป, ปิดๆ <c oughs> ร้อนก็ย่างหัวมันให้มันเหื่อมันออกมันอยู่สบายต่างกาดีสมัยหนุ่มปูกเคยทางานอยู่กับแอร์นี่พอเปลี่ยนอากาศมันจะเป็นหวัดไข้หวัด หน้าฝนจะเข้าฤดูหนาวมันก็เป็นไข้หวัดออกจากฤดูหนาวไปหาฤดูร้อนก็เป็นไข้หวัดออกจากร้อนไปหาฝนก็เป็นไข้หวัดห น, นาวนี่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอะไรมาพอแก่ตัวมาหน่อยก็เลยออกจากห้องแอน์มาทำงานทางนอบตากแดดตับฝนไม่เป็นอะไรสักทีเนี่ย <c oughs> อ, อากาศธรรมชาติมันดีกว่าอากาศปรุงแต่งนะเนีว่ะ ธาตุขันธ์ตัวเองมันก็เลยไม่ได้เหมาะสมกับแพรเท่าไหร่แต่ช่วงขณะเดียวก็พอได้อยู่แต่มันไป น, น, นานๆไม่ได้เกี่ยวกับธานุขันตัวเองจะซูบไม่ไหวนะไอ้ตอาตะนั้งใจและกระนนารบำบัดนานนี่แหละเราสร้างบา ร, รมีให้แก่เราเนี่ยก็ขอ เอวังเลยนะมันจะตายแล้วนะรับพรกัน